157โสนกุติกันนะวัตถุว่าด้วยพระโสนกุติกันนะเรื่องพระมหากัจจานะ257สมัยนั้นพระมหากัจจานะพักอยู่ที่ภูเขาปะปาตะเมืองกุรุระคระในแคว้นอวันตีครั้งนั้น อุบาสกชื่อโสนุติกันนะเป็นอุปถากของท่านพระมหากัจจานะต่อมาเขาเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณนะที่สมควรได้กล่าวกับพระมหากัจจานะดังนี้ว่าท่านผู้เจริญรรมตามที่พระคุณเจ้ามหากัจจานะแสดงนั้น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 โปรดให้กระผมบวช ด, ด้วยเถิดขอรับเมื่อเขากล่าวอย่างนี้ท่านพระหมหากัจานะได้กล่าวกับอุบาสกโสนกุติกันะดังนี้ว่าการประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งต้องนอนผู้เดียวบริโภคอาหารมื้อเดียวจนตลอดชีพทำได้ยากแต่เอาเถอโนะโสนท่านเป็นครหัสอยู่ที่บ้านนั้นแหละ จงหมั่นประพฤติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นพรหมจรรย์ที่ต้องนอนผู้เดียวบริโภคอาหารมื้อเดียวตามเวลาที่เหมาะสมเถิดครั้งนั้นความคิดที่น้อมไปเพื่อบรรพชาของอุบาสกโสนกุติกันนะระงับไปแม้ครั้งที่สองอุบาสกโสนกุติกันนะละ แม้ครั้งที่สามอุบาสกโสนกุติกันนะเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระมหากัจจานะดังนี้ว่าท่านผู้เจริญรรมตามที่พระกุญเจ้ามหากัจจานะแสดงนั้นกระผมเข้าใจว่าการที่ผู้อยู่ครองเรือน จะประพติพรหมจันทร์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างยิ่งเหมือนสังที่ขัดดีแล้วมิใช่กระทำได้ง่ายกระผมปรารถนาจะปลงผมโกนหนวดนุ่งขมผ้ากาสายะออกจากเรือนมาบวชเป็นบรรพชิตขอพระกุ่เจ้ากัจจานะโปรดให้กระผมบวช ด, ด้วยเถิดขอรับลำดับนั้นท่านพระหมหากัจจานะ จึงให้อุบาสกโสนกุติกั น, นะบวชก็สมัยนั้นอวันตีทักขีนาบทมีภิกษุน้อยท่านพระหมหากัจจานะจัดหาภิกษุสงฆ์จากที่นั้นนั้นให้ครบองค์ประชุมคือสิบรูปได้ยากลำบากเวลาล่วงไปถึงสามปีจึงให้ท่านโสนอุปสมบทได้